พระธรรมเทศนาแผ่นที่47ลำดับที่8โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดปานาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่8เมษายน2554มีชื่อเรื่องว่าชี้แนวทางหลังพระนักศึกษาแพทย์ลาสิกขา วันนี้เป็นวันที่8เมษายนพุทธศักราช2554แต่ตามไม่จริงร่างกายสังขารของเราเนี่ยมันไม่ต้องการอะไรมากวันหนึ่งเห็นไหมเราทานอาหารเพียงจานเดียวตอนเช้ามันก็คุ้มได้ตลอด24ชั่วโมงถ้าหากว่าเรากินจุบจุบจิบจิ บ, จบกินไม่รู้จักเมืองพออีกส่วนหนึ่ง จากนั้นก็เราเอามาหามาเอามาใช้อย่างอื่นเอามาถลุงอย่างอื่นเอามาใช้อย่างอื่นมันก็เลยมีแต่ความอยากในใจใช่ยากอยากอยา ก, อยากอยู่ตลอดเพราะเหตุใดเพราะมันไม่เพียงพอไม่พอเพียงสิ่งเหล่านี้ถ้าว่าเรานําใช้นําหลักของพระพุทธศาสนาไปใช้สันตุถีประมังทะนังความสันโดษเป็นทรัพย์อย่างยิ่งความสันโดษเป็นทรัพย์อันประเสริฐ ว่าพระพุทธเจ้าสัน เ, เทศสำหรับพระอภิชาตาเป็นผู้มักน้อยสันตุถีกระถาตามมีตามเกิดอันนี้ก็คือพวกเราควรจะนำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าไปใช้แต่พระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ให้แต่ความอภิชาตาหรือสันตุถีกระถาเท่านั้น ถ้าหากว่าพอที่จะเป็นไปได้พอที่จะร่ํารวยได้พระพุทธเจ้าท่านก็นสอนอีกคารวาตอุทธานะสัมปทานถึงพร้อมโดยการหมั่นขยันในการแ ส, สวงหาทรัพย์ในการเรียนวิวชาอาชีพเรียนวิชาความรู้เพิ่มเติมเข้าไปอีกอย่างเราเรียนวิชาหมอจบไปแล้วเราก็เรียนหมออะไรหมอเม็ดหมอกระดูกหมออะไรเข้ามาอีกต่างเยอ ะ, อยะ อันนั้นก็คือส่วนเพิ่มเติมหมอสมองหมอกระดูกหมอตับไตลำไสเ้เป็นผู้ชำนาญการ อ, อันนั้นก็คืออุทานะสัมปทาถึงพร้อมด้วยความหมั่นความขยันรักษสัมปทาถึงพร้อมด้วยการรักษาหรือวอ่ารักษาคือรักษาเอาไว้เมื่อเราเรียนได้วิชาความรู้มาแล้วเราักษา อ, อย่าไปกินเหล้าเมายาอย่าไปทา สิ่งที่ไม่ไม่ถูกต้องเออถ้าเราทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง เ, ออเขาก็สามารถที่จะถอนวิชาหลักวิชาอาชีพของเราได้เพราะเหตุไรเพราะเราไม่รักษาเราทำความเราทาผิดกฎกติกาผิดกฎหมายเขา เ, ออเขาก็สอนวิชาอาชีพที่พวกเราได้เรียนได้ศึกษามาอันนี้ปปะว่าขาดอรักษาสัมปทา คือขาดการรักษาการยาณมิตรการครบเพื่อนอันนี้ก็สําคัญจําเป็นถ้าเราครบเพื่อนชั่วเราก็จะชั่วไปด้วยถ้าเราครบเพื่อนดีเราก็จะได้ดีไปด้วยการยาณมิตรต า, ตาเป็นสิ่งที่จําเป็นสําคัญถ้าเราไปคบนักเรียนนักเลงหัวไม้ไปลงร่วมลงทุนขายยาบงยาบ้บาขัญชายยาบฝิ่นมีเยอะแยะไปขาอาวุธ อ, อย่างนี้แปลว่าคบ คนไม่ดีเพอเพอเราก็มีชื่อในใ น, นั้นไปด้วยจากนั้นเขาเขาไล่จับหมู่พวกเพื่อนของเราเราก็พอยกระเทือนพเินโดดหนีไปด้วยเพราะอะไรเพราะเราไปคบคนไม่ดีการยาณมิตราตานีก่กว้างขวางเหมือนกันเพราะฉนั้นการครบค้าสมาคมกับหมู่กับเพื่อนก็ต้องได้คิดอีกเหมือนกันการยาณมิตราตาให้คบเพื่อนที่ดีงามสา ม, มาชีวิตตาเลี้ยงชีวิตในทางที่ชอบ การเป็นแพทย์เป็นหมอของพวกเราเป็นวิชาอาชีพที่เหมาะสมการรักษาคู่คนอยู่ในกรอบขอบของศีลธรรมอันนี้คือความถูกต้องแต่ถ้าเราทำไม่ผิดมันก็ผิดได้ทุกวิชาอาชีพมันผิดได้ทั้งนั้นกฎหมายก็ทำผิดได้เป็นพระก็ยังทำผิดได้หมอทำไมจะทำผิดไม่ได้หมอก็ทำผิดได้เหมือนกันควักไตเขาไปขายอย่างนี้ ไปรักษามากมายสิ่งที่ไม่ถูกต้องออมีมีเรื่องพลิกแพงทั้งนั้นหมอที่ทำไม่ถูกก็เป็นมิจฉาทิฐิได้เหมือนกันทำไม่ถูกต้องเหมือนกันเพราะทุกวิชาอาชีพทำได้ความชั่วแต่เราจะทำชั่วด้วยทำดีท่งนั้นนะ่ะ อ, อ, อย่างที่คุณแม่บอกคุณแม่จีแก้วว่าโรคนี้โรคหาไดเ้เราเป็นหมอเราก็ต้องหาในทางที่ดีที่ถูกต้องที่ทางเป็นธรรมแต่ถ้าเราทา ไม่ดีกบไปหาสิ่งที่มันไม่ดีเข้ามาหาตัวเองใครช่วยไม่ได้ถึงจุดนั้นเพื่อนั้นให้พวกเราก่อนที่จะทำสิ่งไหนอะไรลงไปต้องรอบคอบต้องใช้สติต้องใช้ปัญญาอย่างองค์หลวงตามหาบัวท่านบอกว่าจะทำสิ่งได้ลงไปให้นึกในใจพุโทโธธรรมโมสังโฆซะก่อนคล้ายว่าให้สติเข้ามาหาตัวเองซะก่อนยังค่อยทาสิ่งที่มันร่อแหลม เราจะมีสติสัมปชัญญะความยับยั้งในจิตใจของเราอันนี้ถ้าทำได้อย่างนั้นเลิศประเสริฐที่สุดเนี่ยหลักของพุทธศาสนาท่านไม่ได้ตสอนให้เพียงพออย่างเดียวนะท่านให้ขาลุกท่านก็ลุกได้อุทธานะสัมปทานถึงพร้อมด้วยความหมั่นความขยันถึงจะมีเมื่อมั่นขยันไปแล้วได้เงินเป็นหมื่นล้านแสนล้านท่านก็ไม่ได้จัดว่าเป็นความโลภเพราะเหตุไรเพราะได้มาโดยเป็นธรรมได้มาด้วยสติด้วยปัญญา ด้วยความสามารถของเรา น, นี่คุรยะอุทธานะสัมปทาถึงพร้อมด้วยความหมั่นความขยนันอารักขาคาือว่าการรักษาทรัพสมบัติรักษาหน้าที่การงานรักษากิติยศื่อเสียงของเราอารักขาการยานามิตรคบเพื่อนที่ดีงามอย่าไปคบคนเลวอย่าไปคบคนชั่วมีในหลักของพุทธศาสนาจากนั้นก็สัมมาชีวิตาเลี้ยงชีวิตในทางที่ชอบ ไม่หลอกไม่ลวงไม่ป้นไม่จี๋ไม่คดไม่โกงของขามาเรียงชีวิตของเราครอบครัวของเราเนี่แหละหลักของพุทธศาสนาท่านสอนไม่หมดอันนี้คือผู้ที่จะดำลงไปสู่คารวะต้องปฏิบัติตนคารวาะธรรมอันนี้ก็ว่าทิฏฐธรรมมิกาตรประโยชน์ประโยชน์ในปัจจุบันการยังสอนคารวาะธรรมเพิ่มเติมเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะการบวชมาในหลัก ในพระพุทธศาสนาเนี่ยพระพุทธศาสนาสอนให้มีเหตุมีผลกรรมคือการกระทําะหลวงพ่อเคยพูดเอหลวงพ่อไอพระที่เขามาบวชในวัดหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อได้ดูเลือกงามยามดีให้เขาไหมมีคนถามดูทําไมจะไม่ดูเออเลือกสะดวกดวกนั่นแหละเวลาไหนสะดวกหลวงพ่อให้ศึกเวลานั้นแหละเออนั่นแหละ ลึกงามยามดีเออเวลาฝนตกตกฟ้กา ล, ล, ล, ล, ล้องร้องลมพัดแรงๆอีกไปหาทสิกขาเวลานั้นได้ยังไงเดือดเพอ่เพลไม้หล่นทับเออหลังคากุฏิศาลาผุพังเสียหายไปหมดอันนั้นแหละเออลกไม่ดียามไม่ดีเออเวลาไม่ดีเออทางวันไหนสะดวกสะดวกไม่มีอะไรนั่นหละลอกงามยามดีออถ้าศึกไปแล้วคนั้น่ะให้ลูกหลานผู้ที่ศึกไปแล้วเน่ย ทำแต่สิ่งที่ดีให้คิดดีทำดีพูดดีนั่นแหละมีต่ดีไปตลอดแต่ถ้าหาว่าสึกไปแล้วตรงพอให้ลึกงามยามดีสึกไปแล้วพอสึกพ้นจากวัดไปไปกินเหล้าบั่งไปเล่นการพานาันบั่งไปคบคนชั่วขายยาบ้ายาบ้ามาบั่งแล้วก็เป็นแพทย์กับขี้เกียจบ้างขี้เกียจเรียนหนังสือบ้าง ถ้าตัวเองทำไม่ทำไม่ดีอย่างนั้นเลือกงามยามดีที่ทหลวงพ่อมอบให้เสียหายหมดเพราะเหตุไรเพราะตัวเองทําไม่ดีฮแต่ถ้าว่าพวกเราออกไปแล้วปฏิบัติตามที่หลวงพ่อสั่งปฏิบัติตามที่หลวงพ่อแนะนําพวกเรามีแต่ความเจริญหลวงพ่อรับประกันอย่างนั้นได้เพราะกรรมคือการกระทําทําดีจะไปชั่วได้ยังไงทําชั่วแล้วจะไปดีได้อย่างไรเพราะฉะนั้นใครถาม ลูกหลานทั้งหลายที่บวชไปจากวัดตออลวงพ่ออินหลวงพ่ออินให้เลือกงามยามดีไม่ใช่หลวงพอ่อยืนยันเลยให้หลวงพ่อตรวจตาดูแล้วยืนยันเลยหลวงพ่อให้รื้องงามรื้องงามยามดีแก่ลูกหลานทุกคนที่ลาศิขาไปแล้วก็สั่งไปอีกว่าอย่าทำความชั่วนะอย่างที่หลวงพ่อได้สั่งอุทาน ะ, ะสัมปทา อรคะสัมปทากัลยาณมิตตตาสัมมาชีวิตานะีและกัคารวัตรธรรมธรรมของคารวาัตสัตย์จะให้มีความจริงจังและจริงใจธรรมะให้รู้จักข่มจิตของตนขันติให้มีความอดทนจาคะให้มีการเสียสละต่อพ่อต่อแม่ต่อพี่ต่อน้องต่อวงสาค า, านาญาตต่อผู้ใกล้ชิดนะถ้าอย่าไปขี้แตเนเองทีเหนียวจนไม่รู้จักแบ่งปันไม่ถูกนะถ้าคนไม่รู้จัก แบ่งปันหาพี่หาน้องหาวงสาคณะญาติไม่ได้นะอันนี้หลวงพ่อก็แนะนําสอนลูกศิษย์ลูกหลานทุกคนผู้ที่เข้ามาใกล้หลวงพ่อเพราะนั้นขอให้พวกเราลูกหลานทุกคนที่เข้ามาบวชแล้วก็ออกไปก็ให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองสิ่งที่มันไม่ดีทางหายณนะอย่าไปทำํำกินเหล้าเมายาอย่างนี้ก็รู้อยู่แล้วกินแล้วมันเมามันเมาแล้วทำยังไงขาดจติเมื่อขาดจติแล้วคนขาดจิติแล้ ว, ลวเห็นไหม ถ้าผู้ที่อยู่เกี่ยวกับโรงพยาบาลโรคประสาทแลวเป็นยังไงคนขาดสติไม่ว่ามดไม่มาว่าหมอนมันชกมันต่อยได้ทั้งนั้นอย่างที่หลวงพ่อเคยมีลูกศิษย์หมอจากศรีธัญญาหลวงพ่อก็นึกขำๆแต่คำไม่ออกเนเพราะเหตุไรเขาบอกตำรวจไปจับคนบ้ามันกลางถนนมันจะเมาก็ไม่รู้ละอาจจะเมาแล้วขาดสติยังไงก็ไม่รู้ พอมาถึงโรงพยาบาลตำรวจก็ไม่ได้ใส่กองแขนให้มันว่างั้นแตปล่อยอ้ตำรวจก็มาคุยกับหมอจับได้ที่ไหนอย่างไรกำลังสนธนากันอยู่เอต่นี้ก็เนี่ยไอ้คนที่เป็นประสาทที่เป็นบ้านี่นกันไอ้กำปั้นชกยอดคางหมอเลยหมอก็เลยหงายหลังลอยและ เ, เลียวอลไว่งั้นแตเออไม่รู้ดาวกี่ดวงกันออกมาจากตาว่างั้นแต่ กพิงห้อยออกไปเหมือนกับตัวเป็ดตัวห่านมันก็บินออกไปทททๆ ท, ทลุกขึ้นมาได้ผมก็ไม่อยากจะตีไอ้ที่มันเป็นบ้านอะผมอยากจะตีตำรวจมากกว่าเอออันนี้ลูกศิษย์หลวงพ่อนะท่านศรีธัญญาที่มาเล่าให้หลวงพ่อฟังเพราะนั้นหมอนอะหมอทั้งหลายนะเวลาเขาจับคนไข้แล้วคนอะไรมาอย่าไปอยู่ใกล้นะห่างๆไว้นะอย่างน้อยก็ให้เขาใส่กองแขน ไ, ขนไว้ซะก่อนเราจงค่อยเข้าไปใกล้ท่าไหว อยู่ธรรมดานะไปพูดอันนั้นขึ้นมาเลยอ่มันเมาขึ้นมาเลยไหมทำยังไงมันชกมันตีขึ้นมาเราเสียเปรียบเขานะนี่แหละจะไว้ใจได้ยังไงเพราะนั้นเสียงเหล่านี้นะเราอ่ต้องระมัดระวังอ่าเพราะนั้นการเ่ที่จะเป็นออกไปเป็นคารวาสอย่างที่หลวงพ่อได้พูดนี่แหละลึกงามยามดนะีให้พวกเราให้มั่นใจสัน เพราะเรานับถือพระพุทธศาสนานับถือพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าถือว่าทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วแตถ้าเราทําดีแล้วจะชั่วได้ยังไงถ้าเราทําชั่วแล้วจะดีได้อย่างไรบัดนี้เราเข้ามาศึกเรามาฝึกมาศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบั ต, ติตนมาศึกษาแนวแถวของพระพุทธศาสนาแนวแถวของพระพุทธเจ้าพุทธเจ้ายาดื่มสุรานะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหมอหลวงพ่อเองเวลาจะดื่มกระดกกระดกแก้วสุราขึ้นมาเมื่อไหร่ให้ลูกหลานที่มาบวชวัดหลวงพ่อให้คิดถึงขืนให้คิดถึงหน้าหลวงพ่อทันทีนะหลวงพ่อห้ามไว้หลวงพ่อห้ามไว้หลวงพ่อห้ามไว้ให้คิดว่าอย่างงั้นนะให้บุญกรรมไว้เพราะดื่มสุราเข้าไปแล้วมันขาดจิถ้าเข้าไปในห้องผ่าตัดเนีาน่ากลัวขนาดไหนแต่ถ้าเป็นหลวงพ่อเนีเ่ย คุณหมอนะเขาดื่มสุราแนละ้วเขาจะมาผ่าตัดโรงพยาบาลจะกระโดดลงจากเตียงทันทีแล้วงั้นออผมไม่ให้ผ่าตาัดเลยไม่รู้จะเอาไส้เอาพุงตัวไหนออกไปด้วยเพราะรอะไรเพราะคนขาดจคนเมาออ่ะืเพราะนั้นพวกเรานะลูกหลานนะาการพูดการกล่าวทั้งนี้เป็นการบอกกล่าวแนะแนวอย่าไปดื่มสุราการดื่มเข้าไปแล้วมันเป็นอันตรายต่อตนเอง เป็นผู้ไม่รับผิดชอบในตัวเองไม่รับผิดชอบในครอบครัวไม่รับผิดชอบในหน้าที่การงานด้วยเพราะมันเมาจากนั้นก็สิ่งไหนที่มันที่ไม่ถูกต้องเราก็ยึดตามแนวแถวศิลธรรมจริยธรรมนั่นแหละหมอนี่ยเป็นเทวดานะอใครใครถ้าว่าเจ็บใครได้ป่วยเห็นหน้าหมอะะแล้วค่ะแปลว่า สบาย อ, อกสบายใจแต่ถ้าว่าหมอไม่ให้ความเป็นธรรมหมอไม่ใส่ใจหมอไม่ให้ความสนใจอันนี้มันก็มันก็น่าคิดอีกเหมือนกันเพราะนั้นเราเป็นหมอเราต้องรับผิดชอบลูกหลานทั้งหลายเพราะเราได้บวชมาบวชเป็นภักิกรรมฐานด้วยบวชวัดหลวงพ่ออินด้วยหลวงพอ่อหลวงพ่อก็จะให้เอ็มสาหลวงพ่อไปฟังอีกต่างหาก ไปฟังดูนะว่างๆเปิดฟังไปเรื่อยหลวงพ่อสอนแนวทางสอนแนวความคิดมากมายในเอ็มสที่หลวงพ่อสอนแต่ละวีแต่ละวันสรุปแล้วก็คือสอนให้พวกลูกพวกหลานพวกกณนแลันทาญาติโยมเป็นพระที่ดีคนที่ดีมีคุณภาพมีคุณธรรมศีลถิญธธรรมจริยธรรมถ้าคนมีศีลธรรมจริยธรรมที่ดีแล้วประเทศชาติบ้านเมือง โลกทั้งโลกก็ร่มเย็นเป็นจุกไปหมดนะแต่ถ้าว่าพวกเราขาดศีลธรรมจริยธรรมแล้วมีแต่ความเดือดร้อนบุญวายเฮเพราะคนขาดศีลนะวันนี้หลวงพ่อให้แนวความคิดไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะตอนนี้ไปรับพร อ, อนุโมทนาให้พร